ที่มีอยู่ในกายแบบสังญาแบบสังขารแบบวิญญาณซน่งต้นแรกตั้งแต่เป็นขอ ง, นงหนักหนักนังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยซึ่งเคียมหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาพายาตจิตใจนะพระพุทธเจ้าตั้งก็ทรงแบบธาตุแบบขันอยู่ถึงแปดสิบพระพันตาแล้ววันนี้พล่นง่ายๆกว่าโอ๊ยเหลือคนแล้วว่ะ ลาสักทีทเถอะ่คงตรงถ้าชนตรงอายุสังขารจากนี้ไปสามเดือนจะเด็สลาดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี้สักทีอ่ะเพิ่นมรนดาท้าสาวกัราหันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์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 แตทายให้เป็นเครื่องรุ่นเรองแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอาหารหันหนึ่งพันสอง้ห้าสิบองค์นั้นในเวลาบ่ายซึ่งคล้ายกับวันนี้เพราะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรุ่นเรองสาหรับทั้สาวกอาหารหันเหล่านั้นไม่ใช่แสดงว่เพื่อให้ท่านเหนานั้นเป็นผู้ซักพอกเป็นผู้นําไปประิปฏิบัติ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 คงจะสารเปลให้พวกเราที่ได้ซ้าไปสารเปลให้นอนอยู่สบายสบายเถอะเราทําทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเอะให้สบายเลยต้องไปทําอะไรทั้งหมดแหลถ้าอาวาอัตอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมาานอนอยู่เปรสบายเถอะเปรเราก็ทาให้เรียบร้อยแล้ว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 พเพื่อความพ้นจากพวกโรประการทั้งกลวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกพระอาว่า น, นี่ถึงใจพวกเรา ไ, มไหมพี่นานถึงพระไทยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจไหมพระองค์ให้เลิกพระเมตตาเต็มพระไทยพวกเรารับเติความจรงรับทังดี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 หมดความนับกิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีไงเหลืออยู่เลยตรงนีเรียกเหมือโลกโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้อยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมตุติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้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 สาเหตุทาผลพวกต้องตนหลุดพ้นเราได้เป็นระยะระยะนะสุดท้ายกับกลางวันถึงความบริสุธทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนฮะิชาโตเป็นมิบุโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเชื่องความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลส เาจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุตก็สู้ความหิวนีน้ไม่ได้นัดกิจตันหาสมาณทีความหิวโหยที่เกิดอำ น, น า, าจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้นี่เต็มในหัวใจของสาตร์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดกาลนั่นแหลไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแลรงให้เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลง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 นี่เราเทียบนักรบแม่นวลไม้ต้องไ ป, ไปด่าไปใชื่คนอื่นไม่ได้นะอืมันไม้ต้องมาเราสู้กี่เลยเอานขนาดนั่นนะเรเห็นไห ม, มนะครูบาอาจารย์เาเห็นประจักษ์อย่างนี้ที่เราได้กราบไหว้บูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นนะงั้นท่านก็ได้ชัยชนะมาด้วยวิถีใช่ใช่เอาท่านอาวิถีไหนมาสอนพวกเราที่สอนแบบบวชเปรยอย่างบ้านเหรอถ้านอย่างนั้นครูท่เจากก้าเอามาสอนแล้วนี่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 พอถอนมันไปหมดถ อ, ถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากทานาน้ำทานลมธาตุไฟนี้ถอนจิตของเราออกจากทุกเวทนาที่ขับใจว่าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากระรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ <sho ars. S 1> ถอนออกจาเวทนา <s> ที่ถือว่าเป็นตนนี้ <S <s เป็นเรานี้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 ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสังณะทั้ง3มนั้นใา้เห็นชัดเจงภายใ น, นจิตใจมีเชื่อสร้างสรานะขึ้นภายในตัวเองอัตตาเห็นเป็นาโผเต็มโูมต้องอาศัยอะไรแล้วนี่พุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี่ชั้นใดสัง้านี่ชั้นใดพุทธธรรมะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหน